จใจก็สงบระงับันไปได้นี่การแก้ที่เละแก้ความวุ่นวายแก้ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระ ง, งับกลับลงไปได้เออเสียงมันนินเปงไงวะ่าลืมจานิสจากจุดนี้วัตตะจักก็คือจิต